กราบบูชาพระรัตนาไตรกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรบมายังพระอาจารย์สุรินพระอาจารย์ประวัติเขาโอกาสเพื่อนสาธรรมิกเจริญพรมายังแมช่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกท่าน <c oughs> วันนี้ก็เป็นเช้าของวันจันทร์ที่16พฤษภาคม พุทธศักราช 2,559 นะก็เป็นเช้าวันแรกนะสำหรับผู้สนใจนะในการเจริญสตนะิประจำเดือนพฤษภาคมเมื่อคืนหลายคนคงจะหลับสบายแต่บางคนอาจจะหลับไม่สบายนักนะเพราะว่าอาจจะแปลกที่แปลกถิ่นอาจจะไม่คุ้นเคย นะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรามาที่นี่นะจุดประสงค์หลายคนนะก็ตั้งใจนะที่จะมาฝึกฝนอบรมตัวเราเองแม้แต่การหลับการนอนนะเราก็ต้องฝึกนิสัยนะที่จะทำอย่างไรให้เราสามารถจะนอนได้นะแม้ว่าจะเป็นที่แปลกที่แปลกถิ่นนะเมื่อคืนอาจจะนอนไม่อิ่มนะ เช้าวันนี้อาจจะรู้สึกงงเงียงงเงีย้ยยังซึมๆึมอยู่นะก็ปลุกตัวเองนิดนึงนะตั้งใจนะที่จะรับฟังนะสิ่งที่จะเป็นสาระประโยชน์นะที่จะนําเสนอนะให้เราได้นําไปประพฤติปฏิบัตินะําไปฝึกฝนอบรมนะตัวเราเองโดยเฉพาะการฝึกฝนในเรื่องจิตเรื่องใจการฝึกฝนอบรมจิตใจเนี่ย นะเป็นสิ่งที่ไม่ยากนะแต่ว่าที่มันยากเพราะว่าเราไม่คุ้นกับมันนะโดยเฉพาะยงยิ่งการมาอยู่นะที่วัดป่าสุกโตนะอาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนที่บ้านนะการหลับการนอนที่หลับที่นอนที่อยู่นะอาจจะไม่สะดวกสบายอย่างที่บ้านแต่ก็พออยู่ได้นะอากาศก็ สบายๆปลอดโปร่งโล่งนะเย็นสบายนะไม่ถึงกับร้อนนะตรงนี้เป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยนะให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจของเราอย่างที่พูดไว้เมื่อวานนะการศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันไม่ยากอย่างที่คิดนะเราสามารถเรียนรู้ตรงๆลงไปนะที่กายที่ใจของเรา เครื่องมือสำคัญที่เราจะใช้ก็คือสติสัมปชัญญะนะหรือเราเรียกกันว่าความรู้สึกตัวนั่นเองนะซึ่งก็มีรูปแบบของการปฏิบัติที่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขีย น, นได้นําเสนอได้บอกได้กล่าวการยกมือสร้างจังหวะการเดินจงกรมให้เรามีความระลึกรู้มีความรู้สึกตัวนในกายที่เคลื่อนไหวเป็นเบื้องต้น นะเรื่องความคิด <c oughs> เรื่องจิตต่างๆอย่าเพิ่งไปสนใจมันนะเอาสนใจตั้งใจมีความระลึกลูณนะที่กายเคลื่อนไหวก่อนโนะดยเฉพาะการยกมือการเดินจงกรมนะในรูปแบบนะซึ่งเราจะใช้เวลาที่อยู่ที่นี่5วันก็ดีสมวันก็ดี7วันก็ดนะีหรือคนที่อยู่นะระยะยาวนะเราก็ทำแต่เรื่องนี้นอกจาก เราฝึกในรูปแบบนะเราก็มีการที่จะใส่ใจตั้งใจนะที่จะระลึกรูนะ้ในอิริยาบถต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเดินการนั่งการยืนการนอนรวมถึงอิริยาบทย่อยนะคู่เหยียดเคลื่อนไหวกนะระพิบตาอื่นน้ำลายลงไปในคอหายใจเข้าหายใจออกรวมถึง สิ่งที่เราจะทำในชีวิตประจำวันนะอย่างเช่นการเดินบินาบาตของพระการนุ่งห่มจีวร น, นะหรืออย่างพวกเราก็คือการนุ่งห่มเสื้อผ้าการกินการรับประทานการขบฉันนะก็ให้มีสตินะให้มีความรู้สึกตัวนะพูดง่ายๆก็คือกายอยู่ที่ไหน <c oughs> ก็ให้ใจอยู่ที่นั่นแต่ก่อนมาที่เราจะฝึกเราจะสังเกตได้ง่ายๆนะ กายมันนั่งอยู่ที่นี่แต่ใจมันคิดไปถึงบ้านนะกายนั่งอยู่ที่นี่นะเวลานี้บางทีเราก็คิดถึงเมื่อวานนะบางทีกายอยู่ที่นี่เวลานี้คิดถึงพรุ่งนี้นะจะเป็นอย่างไรหรือว่าตอนเช้า <c oughs> จะทำอะไรบ้างนะอันนี้ความคิดเนี่ยมันก็พาเราโลดแล่นนะไปในเรื่องราวที่ไม่ได้เป็นจริงนะก็เรียกว่าโลกสมมติโลกมายา แต่ถ้าว่ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่นะเราก็ได้สัมผัสความจริงนะความจริงที่นี่ขณะนี้ปัจจุบันนี้นะอันนี้เป็นของจริงเพราะนั้นการฝึกฝนอบรมตนเองเนี่ยก็คือการที่เราพยายามให้ใจเนี่ยนะมันอยู่กับกายก่อนนะเมื่อใจมันอยู่กับกายบ่อยๆนะเราก็จะได้เรียนรู้นะอาการเคลื่อนอาการไหวของกาย นะแล้วก็ได้เห็นอาการของกายที่มันเริ่มแสดงออกมาเช่นนั่งนานๆมันปวดมันเมื่อยนะมันร้อนมันเย็นนะตรงนี้เป็นอาการของกายที่แสดงออกมานะนอกจากอาการของกายนะมันก็ยังมีอาการของใจนะของจิตที่มันแสดงออกมานะเช่นความง่วงเหงาเศร้าซึมนะความรู้สึก เหงาว้าเวนะบางทีบางคนไปอยู่คนเดียวนะไปอยู่กุฏิคนเดียวก็อาจจะรู้สึกเหงาหรือบางคนอาจจะมีความกลัวนะไม่เคยมาอยู่ป่านะมันมืดนะบางทีก็กลั ว, ก ล, วกลัวไอ้นู่นกลัวไอ้นี่นะกลัวผีเอนะอยู่ที่มืดมืดหรือบางคนไม่กลัวผีกลัวตุกแคเอกนะกลัวงูนะที่นี่มีงูเยอะนะกลัวเดี๋ยวงูจะมากัดเอาบ้างนะตรงเนี้ย ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นอาการของใจนะที่เขาแสดงออกมาถ้าเราไม่รู้เท่ารู้ทันเนี่ยนะเราก็จะเข้าไปอยู่ในอาการเหล่านั้นเช่นเวลาเราปวดเราเมื่อยนะเราก็รู้สึกหงุดหงิดนะไม่ค่อยอพอใจนะกับอาการเหล่านั้นหรือเกิดความกลัวขึ้นมาเราก็ไปอยู่ในความกลัวซะเลยนะเรียกว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะใจไปอยู่ในอาการต่างๆ เรนะเรียกว่ามีตัวมีตนในอาการเหล่านั้นทีนี้เมื่อเรากลับมารู้สึกตัวนะที่กายเคลื่อนไหวนะตรงนี้ก็จะเป็นการถอนใจเนี่ยออกมาจากอาการเหล่านั้นนะเรียกว่ามาเป็นผู้ดนะูเห็นมันเคลื่อนเห็นมันไหวเห็นใจมันคิดมันนึกนะตรงเนี้ยใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนหรอกนะเพราะว่าเรายังไม่คุ้นกับมันนะเห็นว่าป๊ปอบแบมๆก็ยังดี นะอย่างน้อยๆแต่ก่อนเนี่ยนะบางทีเรานั่งเราก็ไม่รู้เรานั่งอยู่นะบางทีเราก็คิดเรื่องนั่นคิดเรื่องนี้ไปนะเรียกว่ากายมันนั่งแต่ใจมันไปไหนก็ไม่รู้นะหรือบางทีเราเดินนะเราเดินไปก็คิดไปนะมันไม่รู้ว่าเดินนะบางทีก็ตรงเนี้ยนะเรียกว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะเรียกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวใจมันหลงไปกับความคิด ตรงนี้นี่แหละนะเราก็มาฝึกกันวันนั้นฝึกฝึกอะไรก็ฝึกให้ใจเนี่ยนะมันมีความรู้เนื้อรู้ตัวใจรู้ที่กายบ่อยๆเมื่อใจรู้ที่กายบ่อยบนะมันก็จะเป็นอาการของกายอาการของใจนะที่มันแสดงออกมานะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็จำเป็นนะจะต้องอาศัยการทำที่ต่อเนื่องแล้วก็มีเวลาที่จะทำสามวันห้าวันเจ็วัน นะบางคนก็วัยสมวันก็เข้าใจเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก้านวะแรกที่เราจะเดินแต่บางคนก็ต้องอาศัย เ, เวลาสักหน่อยในการปฏิบัติเนี่ยนะโดยเฉพาะคนใหม่ๆนะมันจะมีอุปสรรคนะมาขวางกัน้นะซึ่งอุปสรรคเหล่านีนะ้มันก็ไม่ใช่อะไรนะักษณเป็นความเคยชินเก่าๆของเราอะ่นะบางทีมันก็ปวดเมื่อยนะบางทีมันก็ รู้สึกเหมือนขั้นเนื้อขั้นตัวนะรู้สึกเหมือนไม่สบายนะช่วงนี้เป็นช่วงของการปรับตัวเดี๋ยวพอ3ามวันแรกนะที่เราจะต้องสัมผัสแน่นอนทุกคนนะโดยส่วนใหญ่เพียงแต่ว่าจะเป็นยังไงเท่านั้นเองบางคนก็ไม่เป็นก็มนะีส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นอันนี้ก็คืออาการของกายอาการของใจที่ก็มาให้เราเรียนรู้นะไม่ใช่เป็นอุปสรรคอะไรหรอกทีนี้นอกจาก สิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยนะมันก็จะมีอาการต่างๆที่มันจะมาทำให้เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือไม่รู้สึกตัวนะภาษาทางาศาสนาหรือทางบาลีเ็าเรียกว่านิวร น, นะนิวรณก็คือเครื่องกั้งกันนะที่จะทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกตัวนะอย่างเช่นเรานั่งสร้างจังหวะเนี่ยนะหรือตอนนี้ก็ได้นะบางคนอาจจะรู้สึกง่วงนะ เออปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาความน่วงมันจะทําให้ซึมๆนะปลุกตัวเองขึ้นมาด้วยการเคลื่อนไหวหรือคึองนิ้วมือเล่นก็ได้รูปเนื้อรูปตัวก็ได้บางคนไม่ถนัดนะในการที่จะนั่งฟังไปด้วยยกมือไปด้วยนะก็นั่งฟังเฉยๆนะี่แหละนะแต่ก็คึงนิ้วมือเล่นรูปเนื้อ ร, รูปตัวนะอย่าไปนั่งซึมๆนะตรงนี้เป็นการปลุกเพราะฉะนั้น <c oughs> ในการฝึกเนี่ยเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะฝึกกันทั้งวันนะโจทย์อันแรกบทแรกเลยบทที่หนึ่งเลยนะที่จะแสดงออกมาก็คือว่าด้วยความง่วงความง่วงเนี่ยนะมันไม่ได้ง่วงตลอดเวลาหรอกนะเราลองฝืนฝืนอดทนใจแข็งดูนะเดี๋ยวมันก็ตื่นนะตื่นสักพักเดี๋ยวมันก็ง่วงอีกนะวันนี้เดี๋ยวมันง่วงง่วงตื่นตือย่อย่างเงี้ยนะซึ่งบางคนเนี่ย นะจะเจอกับความง่วงที่ไม่เคยง่วงมาก่อนเลยโอ้โหมันง่วงขนาดหนักเลยนะนะความง่วงอันนี้มันก็เป็นบางคนอาจจะบอกว่าเป็นอุปสรรคนะจริงๆถ้าเราใจแข็งเราใช้ความอดทนนะเราก็จะได้เห็นการที่มันดับไปได้เหมือนกันความง่วงมันดับกลายเป็นความตื่นนะเรียกว่าเห็นการเกิดดับของความง่วงนะตรงนี้มันจะเริ่มสนุกละมันเห็นว่าเอ๊แต่ก่อนนะ เราง่วงเราก็ต้องไปนอนใช่ไหมเราแก้ความง่วงด้วยการนอนนะอันนี้คือความเคยชินเก่าๆแต่เรามาที่นี่เราจะแก้ความง่วงด้วยการไม่นอนให้มันตื่นนะอันนี้เรียกว่าปลุกตัวเองขึ้นมานะพุทธพุทโธก็คือพูดตื่นให้จิตมันตื่นขึ้นมาแรกๆมันก็จะจึมๆแหละนะมันจะง่วงนะเราก็ใช้อิเียบทแก้บ้าง นั่งสร้างจังหวะช้ามันง่วงก็ทำให้มันเร็วนะถ้านั่งทำเร็วแล้วมันก็ยังไม่หายนะเราก็ลุกขึ้นเดินนะนี่เรียกว่าแก้อารมณ์ที่จะเป็นอุปสรรคทีนี้ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยนะถ้าเราสัมผัสกับความง่วงบ่อยๆและเห็นความตื่นบ่อยๆนะตรงนี้มันจะเกิดปัญญาละมันจะเห็นแล้วว่าโอ้ความง่วงนี่ก็เป็นง่วงตลอดเวลาเนาะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นตื่นบ้าง นะตรงนี้มันจะเกิดเราได้เรียนรู้นะเาเรียกว่าไตาลักษณนะ์อ น, นิจังทุกขังอนัตตาความง่วงเนี่ยนะมันก็มีเวลาแปลเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไม่อยู่ในอำนาจของเรานะมันไม่ได้ง่วงตลอดเวลาหรอกอันนี้ก็เรียกว่าได้เรียนรู้ธรรมะจากความง่วงนะนอกจากความง่วงแล้วนะตัวที่สองนะที่จะชัดๆก็คือความคิดฟุ้งซ่านนะหลายคนนะตั้งใจมา อ่ปฏิบัติธรรมแล้วก็คิดว่าจิตมันวุ่นวายมันคิดสับสนวุ่นวายไปหมดอยู่ที่บ้านก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ถึงเวลานอนก็ยังคิดอนอนไม่นอนไม่อิ่มนอนไม่หลับนะบางคนเป็นโรคจิตโรคประสาทไปเลยเพราะความคิดนี่แหละพอเรามาปฏิบัติเนี่ยโอมันก็แสดงตัวดีนะความเคยชินที่เราเคยคิดฟุ้งซ่านมันจะแสดงตัวนะ เพราะฉะนั้นมันคิดฟุ้งซ่านขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะเรารู้ทันมันแล้วกลับมารู้ตัวที่การเคลื่อนการไหวคิดขึ้นมาเท่าไหร่รู้เท่านั้นใหม่ๆเนี่ยนะมันก็ไม่ค่อยทันหรอกนะมันเผลอคิดไปยาวนะเรื่องราวยาวเช่นคิดถึงบ้านก็จะคิดถึงคนที่บ้านเรื่องราวกิจกรรมคนที่บ้านนะบางคนก็จะห่วงว่าเอ๊ะที่บ้านเป็นยังไงบ้างน้อนะเออนะ บางคนก็ทิ้งบ้านทิ้งเรือนมาชั่วคราวนะก็คิดถึงนะคิดถึงคนที่บ้านนะบางคนก็คิดถึงสัตว์เลี้ยงนะมันจะอยู่อย่างไงนะก็เป็นห่วงเป็นกังวลนะตรงนี้ถ้าเรารู้เท่ารู้ทันเนี่ยทิ้งไปเลยมันคิดอะไรขึ้นมาทิ้งไปก่อนกลับมารู้เนื้อรู้ตัวที่การเคลื่อนไหวมาระลึกรู้นะที่การเคลื่อนการไหวนะตรงนี้จะเป็นการเรียกว่าให้เราออกจากความคิดปล่อยวางความคิด ที่ก็บอกให้รู้จักปล่อยรู้จักวางเนี่ยก็คือตรงนี้แหละปล่อยวางความคิดกลับมารู้เนื้อรู้ตัวซะให้ใจเนี่ยมันมาอยู่กับกายก่อนใหม่ๆตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำบ่อยๆความคิดเนี่ยที่มันเคยคิดยาวๆเนี่ยมันจะคิดสั้นลงเรื่องราวที่เคยคิดยาวๆมันจะสั้นลงแล้วบางทีความคิดที่สั้นเนี่ยบางทีมันหายไปเลยนะมันหายไปก็ไม่ได้ว่ามันจะหายไปเลย ความคิดเนี่ยจิตมันมีหน้าที่คิดมันก็จะคิดอีกคิดเรื่องอื่นขึ้นมาอีกมันนำเสนอเรื่องอื่นขึ้นมาอีกนะตอนนี้เราก็รู้ทันมันไม่ต้องไปต่อแย ก, กับมันไม่ต้องไปยุ่งกับมันคิดดีก็ไม่เอาคิดไม่ดีก็ไม่เอาตั้งใจคิดก็ไม่เอาไม่ตั้งใจคิดก็ไม่เอาไม่ไม่ช่วงฝึกนี่นะไม่ต้องไปวางแผนนะงานการทาอะไรนะอันนี้เพียงแต่ว่าเราฝึกก่อนนะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันมาก แล้วไม่ต้องกลัวนะว่าเอ๊ถ้าไม่คิดแล้วทํำยังไงเดี๋ยวเราไปทําการทํางานเราไม่มีความคิดแล้วไม่เลยนะเดี๋ยวมันจัดระเบียบความคิดการที่เราทิ้งความคิดทุกความคิดเนี่ยเพื่อเป็นการถอนนะกําลังหรือว่าอํานาจของความคิดนะเทียบเขามีอิทธิพลต่อจิตใจของเราถอนกําลังตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ความรู้สึกตัวนะซึ่งเป็นส่วนตรงกันข้ามกับความคิดเนี่ยมันมีกําลังนะ มันมีพลังให้มากขึ้นแล้วตัวสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวนี่แหลนะเขาจะไปจัดระเบียบความคิดนะเป็นสติเป็นปัญญาขึ้นมาอันไหนควรคิดอันไหนไม่ควรคิดถึงเวลาจะนอนก็ไม่ต้องไปคิดนะอันนี้เขาจะจัดระเบียบได้เพราะนั้นแต่ก่อนเนี่ยเราไม่รู้นะว่าความคิดเราสามารถที่จะจัดระเบียบได้เราสามารถจะควบคุมได้แต่ก่อนเราไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องนี้นะเราก็เลยเไม่รู้จะแก้ไขยังไง บางคนต้องอาศัยยานอนหลับต้องอาศัยยากล่อมประสาทอะไรต่างๆเหล่านี้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะถ้าใช้เป็นนานๆก็มีผลข้างเคียงแต่ถ้าเราใช้ความรู้สึกตัวใช้การเจริญสติเนี่ยไม่ต้องอาศัยยาเลยนะเคยมีนะกลุ่มที่แล้วเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งลูกเพิ่งเสียไปไม่นานก็ยังโศกเศร้าเสียใจแล้วก็นอนไม่ค่ยหลับนะต้องอาศัยยานอนหลับนะ หลายเดือนทีเดียวมาที่นี่ก็อยากจะฝึกตัวเองนะสวันแรกอาตามาบอกว่าอลองสิลองไม่กินยานอนหลับที่มันจะหลับไหมคืนแรกก็ยากเหมือนกันนะแต่อยู่สักสองวันสมวันปรับตัวได้เขาก็สามารถจะนอนโดยไม่ต้องอาศัยยานะแล้วก็ตอนหลังก็เลิกใช้ยาไปเลยนะอันนี้ก็เป็นผลของการที่เรารู้กลไกนะของจิตใจของเรา นะด้วยการที่ใช้การเจริญสตินี่เองอันนี้ก็เป็นตัวที่สองนะที่เราจะต้องเจอตัวที่สนะเขาเรียกว่าความสงสัยลังเลเอ๊่นั่งยกมือเนี่พุทธเจ้าสอนหรือเปล่าน้อนะเราเคยจะนั่งหลับตานะเอ๊มันจะสงบได้อย่างไรนะเออมันก็สงสัยเหมือนกันนะหรือบางคนก็ทำไปมันจะได้ประโยชน์อะไรน้อนะเออตรงเนี้ยความสงสัยลังเลเนี่ย นะมันก็บางทีชวนให้เราไม่อยากยกมือไม่อยากทำนะไปหากิจกรรมอื่นทําดีกว่านะมานั่งยกมือเนี่ยนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากทำให้เราเอ่อไม่อยากจะทําเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความคิดความสงสัยลังเลอย่างเงี้ยตัดทิ้งไปเลยนะลองทําดูก่อนนะก็บอกว่าผู้มีปัญญาเนี่ยนะไม่เชื่อนะแต่ก็ไม่อ่อเรียกว่าก็ต้องลองพิสูจน์ดูก่อน นะไม่เชื่อก็ต้องลองลองดนะูว่ามันจะดีไม่ดีอย่างไรมันจะมีประโยชน์อย่างไรนะเรียกว่า <c oughs> อาศัยความศรัทธาไปก่อนนะมีความเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบกด็ดีสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้นํามาแนะนํำพร่มสอนเนี่ยนะมันน่าจะมีประโยชน์นะนะไม่งั้นก็คงไม่มีใครเอามาประพฤติธปฏิบัติแน่นอนนะตรงนี้ก็จะแก้ความสงสัยได้ นะอันนี้เป็นตัวที่สามตัวที่สี่เนี่ยนะบางทีนะบางทีเรานั่งทำไปแตนะ่บางทีมันก็มีความหงุดหงิดลำคาญนะมันไม่สะดวกสบายนะบางทีก็หงุดหงิดกับการหลับการนอนนะบางทีก็หงุดหงิดกับการปฏิบัตินะมันก็มีบ้างเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะอีกอันหนึ่งที่จะพบมากก็คือความเบื่อ ยกมืออยู่นั่นแหละเดินจงกรมอยู่นั่นแหละไม่ต้องทำอะไรกันนะจิตเนี่ยมันขี้เบื่อนะทำอะไรซ้ำๆซักๆมันก็จะรู้สึกเบื่อแต่ความเบื่อเนี่ยนะถ้าเรามีความอดทนนะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้เราอย่าเพิ่งหยุดกันละกันเราจะเห็นเลยนะเหมือนกับความง่วงอนะแหละมันมีการเกิดการดับนะมันเบื่อเดี๋ยวมันก็หายเบื่อนะตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเผชิญกับมัน นะแล้อกันนึงก็คือการติดในความสบายนะเรียกว่าการมาันทะก็ไนดะ้นอนสบายกินอร่อยนะอยู่ในที่ที่สบายแนะบางทีเรามาฝึกปฏิบัตนะิมันก็เหนื่อยยากหน่อยเนาะปวดเมื่อยนะบางทีก็เจ็บขาบัาง่งเจ็บแขนบ้างปวดแขนบ้า ง, ป ว, างปวดเอวบ้าง นะบางทีก็รู้สึกไม่สบายตัวนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อย่าทาให้เราเนี่ยท้อแท้ท้อถอยก็ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะอดทนไว้ก่อนนะแล้วก็มีความเพียรมีความพยายามลงไปนะสติใหม่ๆอาจจะยังไม่ค่อยชัดนะก็ไม่เป็นไรทำซ้ำแล้วซ้าอีกนะในรูปแบบนอกรูปแบบทำให้มันต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาขวางกั้นเนี่ยที่เรียกว่าเป็นนิวรเป็นอุปสรรคเนี่ย ผู้มีปัญญาเนี่ยก็จะามาเป็นอุปกรณ์นะอุปกรณ์ในการเรียนรู้จากการหลับก็รู้จักการตื่นนะมีการตื่นมีการหลับมีความเบื่อก็มีไม่เบื่อนะมีความฟุ้งซ่านก็มีความสงบนะเป็นความสงบที่ตื่นรู้ไม่ใช่สงบแบบไม่คิดอะไรนะเป็นความสงบที่รู้จักปล่อยรู้จักกวางนะอันนี้ก็จะเป็นปัญญาขึ้นมาเพราะนั้นเราก็รู้จักการแปลง แปลงอุปสรรคให้เป็นอุปกรณ์จนะ้ะตรงนี้ก็จะทําให้การฝึกของเราเนี่ยมีความต่อเนื่องนะและก็ทําให้เราสามารถที่จะเดินทางต่อไปได้เพราะฉะนั้นในการฝึกเนี่ยใหม่ๆเนี่ยนะจะยุ่งยากลําบากนิดนึงเหมือนเรา เ, เริ่มรู้ตัวว่านะตัวเราไม่ค่อยแข็งแรงตัวเราไม่ค่อยรู้สึกรู้สึกไม่ค่อยสบายนะเราก็ไปออกกําลัง นะไปออกกําลังด้วยการวิ่งก็ดีว่ายน้ําก็ดีหรือเล่นกีฬาก็ดีวันแรกเนะี่ยเป็นยังไงมันจะเหนื่อยใช่ไหมบางคนนี่โอ้โหปวดเมื่อยมากบางคนเป็นไข้เลยอันนี้ก็เรียกว่าออกกําลังทางกายนะแต่เรามาฝึก เ, เจริญสติคือออกกําลังทางใจนะก็เหมือนกันนะ่ะวันแรกมันจะ อ, อะไรก็ไม่รู้สับสนวุ่นวายปวดเมื่อยนะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัว แต่ลองดูสักสามวันนะเราปรับตัวเนี่ยโอ้เดี๋ยวมันจะสบายโปร่งโล่งเลยนะตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องให้เวลากับตัวเองในการฝึกนะมีความอดทนนะมีความศรัทธาที่เราตั้งใจมานะแล้วก็ทำให้มันต่อเนื่องนะพยายามพูดคุยให้น้อยที่สุดหรือไม่พูดคุยได้จะดีที่สุดนะพูดเท่าที่จำเป็นนะพูดก็พูดเบาๆไม่ต้องพูดเสียงดังนะเออเรียกว่ามีสติ มีสติในการใช้ชีวิตนะตรงนี้นะมันจะทาให้การเจริญสติของเรามีความก้าวหน้านะก็คือทําให้เราสามารถออกจากความหนัก อ, อกหนักใจสิ่งที่มันเคยหมักห ม, มมอยู่ในจิตในใจมันจะได้จะถูกชาระล้างนะทำให้ใจโปร่งโล่งเบาสบายนะขึ้นมานะได้พบชีวิตใหม่นะเป็นชีวิตที่เป็นอิสระ นะอิสระจากความทุกข์อิสระจากความคิดปรุงแต่งต่างๆนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เรามาลองพิสูจน์กันดูสิ่งเหล่านี้พุทธองค์ได้นำมาให้พวกเราได้ยินได้ฟังผ่านครูบาอาจารย์ผ่านเพื่อนกัลยาณมิตรนะที่เราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็นำมาประพฤติปฏิบัติกันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากพวกเรานะได้มีความ ตั้งอกตั้งใจเนาะมีความอดทนนะที่จ ะ, ะเผชิญกับความยากลําบากในการฝึกอบรมซึ่งตรงนี้เนี่ย <c oughs> นะมันก็ไม่ยากเกินไปหรอกนะถ้าเรามีความตั้งใจและยิ่งเรามาเป็นกลุ่มนะกลุ่มนี้มันก็เป็นการที่ทําให้เรามีความอุ่นใจนะว่าคนนู้นเขาก็เดินจงกรมคนนี้เขาก็สร้างจังหวะแตนะ่บางทีถ้าเรามาคนเดียวเดียเด่ยวเนี่ยนะบางทีมันก็เหงาวาวเวเหมือนกันนะ วัดป่าสุขโตช่วงที่ไม่มีกลุ่มไม่มีกิจกรรมบางทีก็อยู่กันแบบเงียบๆคนที่มีอินทรีย์แข็งหน่อยก็ <c oughs> สามารถที่จะอยู่ได้แล้วก็มีความเจริญในการปฏิบัติแต่คนที่อินทรีย์อ่อนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว้าเหวเพราะนั้นการมีกลุ่มเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็ช่วยนะทำให้เราอุ่นใจเนาะอุ่นใจว่ามีคนนู้นทําคนนี้ทําและอย่างเมื่อเช้าจะมาเดินมาก็เออเห็นคนก็เดินจงกรมกัน นะซึ่งภาพนีนะ้มันทำให้วัดป่าสุกโตมีชีวิตชีวาขึ้นมานะถ้าวัดป่าสุกโตไม่มีการปฏิบัติมันก็จะเป็นวัดร้างนะเหมือนวัดทั่วๆไปนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าพวกเราช่วยมาเติมเต็มนะทำให้วัดป่าสุกโตมีชีวิตชีวาขึ้นมาตัวเราเองก็มีชีวิตชีวาขึ้นมะามีความรู้เนื้อรู้ตัวนะตรงนีนะ้ก็จะเป็นการทาให มีความอิ่มความเต็มเติมอาหารให้ใจนะปลุกตัวเองให้ตื่นนะขึ้นมานะตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะอาลัในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระศีรัตนตรัยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคือสติสมัมมาจัญญะที่มีในตัวเราพระธรม ร, รมเกษตจะทําความจริงที่แสดงปรากฏ นะทั้งในส่วนกายส่วนใจนะและก็สิ่งแวดล้อมต่างๆนะและประสงค์ก็คือการประพฤติปฏิบัตนะิของแต่ละคนนะด้วยความศรัทธานะด้วยความเพียรด้วยสติสมาธิและปัญญานะก็ขอให้สิ่งเหล่านี้นะเป็นพลวะปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านนะได้พ้นจากความทุกข์ถึงซึ่งสุขเกษมสารบีพนิพพานนะ ในเร็ววันนี้โดยั่วหน้ากันเดินเจริญพร